พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ส4พฤษภาคม2555ห้าห้าแก่คณะคาระวะจังหวัดพิจิตรมีชื่อเรื่องว่าพระคุณหลวงตา และคุณมันดาบิดาควรทดแทนเข็ยนศรัทธาญาติโยมจากเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนชัยนาทสิงห์บุรีเดียมาชูวัดหลวงพ่อแต่ก็หลายหลายคนที่มาทราบวัดหลวงพ่อได้ยังไงบางทียังไม่เคยมาอย่างจังหวัด พิจิตพิษจุโนโลกอย่างจังหวัดตราดอย่างนี้ยเข้ามาลุ่งพอก็ถามรู้จักหลวงพ่อได้ยังไงรู้จักวัดนาคำน้อยได้ยังไงก็บอกว่ารวยมากนะช่วงนี้นะก็บอกว่าเห็นหลวงพ่อในโทรทัศน์ในงานหลวงตาเห็นหลวงพ่อในโทรทัศน์ในงานหลวงตานาะโอ้แสดงว่าโทรทัศน์ข่าวนั้นดังพอสมควรนเนาะ พรหลวงพ่อเองเข้าไปในงานหลวงตากันตะกอนกับหลวงพ่ออยู่อย่างนี้แหละอย่างพวกเราเห็นเนี่ยนะวัดหลวงพ่ออยู่ไกลจากจังหวัดอุดร น, นะคัมภีของหลวงพ่อเนี่ยกับหลวงตาได้เป็นคนมาสร้างให้นะสมัยนั้นหมดไป20กว่าล้านเพราะมันกำแพงยาวทั้ง6กิโลกับ7 0 0รกว่าเมตรแต่สมัยนั้นปูนเพียงถุง1 3 5บาบาทท่านเอง ทุกวันเนี่ยมันถูงหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยสมสิเกือบสองสามเท่าตัวเหล็กสมัยก่อนกเหล็ก2หุนกับสิบหบาทแต่ทุกวันนี้มัน่ต่าไหลสี่ห้าสิบาทมัง้งเส้นหนึ่งแล้วก็เหล็กสามเหล็กสี่อีกถ้าทุกวันนี้ยก็คงจะป่าเข้าไปเกือบร้อยล้านแล้วมงึง <c> ก <oughs> ำแพงแต่ลุงตาท่านมาทําให้ท่านมาที่แรกพอหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ท่านก็มาแล้วก็มาดูโดนท่านก็ ไหนท่าไม่ว่าอะไรต่อมาต่อมาท่านบอกน่าจะทํากําแพงแต่ถ้าหาว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยเราไม่ทําให้นะเราไม่สร้างให้เราไม่เห็นด้วยถ้ายิ่งสร้างโบสถ์เรายิ่งไม่เห็นด้วยเพราะเหตุไรเพราะโบสถ์เนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรมีแต่ขังพระพุทธรูปใหญ่ไว้ในโบสถ์ท่านเองแล้วก็สังฆกรรมก็ทําปีหนึ่งเพียงครั้งสองครั้งมันไม่คุ้มค่า แต่ค่าใช้จ่ายในโบสถ์มันถึง2030ล้านเพราะนั้นเราไม่เห็นด้วยที่จะสร้างโบสถ์แต่กำแพงเนี่ยเราเห็นด้วยเพราะว่ากำแพงเนี่ยเป็นที่มันปลอดภัยสําหรับผู้มารักษาศีมาปฏิบัติที่นี่และก็ต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นเครื่องป้องกันที่ดินของวัดให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานานเท่านานแต่ถ้าว่าเราไม่ทำกำแพงเราไม่มีอะไรเลย สมพานที่อยู่ที่นี่เจ้าว่านที่อยู่ที่นี่อยู่วัดนี้เนะ่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของชุมชนในละแวกนี้เขาก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะเขายอมรับแต่ถ้าว่าสมพานเนี่ยเขาไม่เกรงใจชาวบ้านอาดับแรกก็จะมายิงสัตว์ก่อนนะตรงตาท่านอธิบายนะพอมายิงสัตว์สมพานกับผ้าในวัดก็อึดอัดเพราะเขาไม่เคารพนะมายิงสัตว์เปี้ยงป้างเพี้ยงป้างอยู่ก็อยู่ไม่ได้หนี้ไปพอห น, นี้ไปเขาก็มาตัดไม้ ไม้ต้นไหนที่เขาต้องการเขาก็มาตัดเพราะตัดเสร็จแล้วเขาก็บุกรุกตินพอที่สุดที่วัดเลยหมดโดยปริยายเพราะชาวบ้านเข้ามาบุกรุกเพราะฉะนั้นเรามองไกลเราเห็นว่าน่าจะสร้างกำแพงคอนกรีตรล้อมรอบเอาไว้แต่ถึงจะสร้างคอนกรีตก็เถอะคนบางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกทำไมมาสร้างกำแพงล้อมป่าอย่างนี้ทำไมมันมีประโยชน์อะไรฮ แต่เราคิดในช่วงนี้คนอาจจะคิดว่าการล้อมป่าเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์แต่เราคิดว่า 10- 20ปีไปข้างหน้ากำแพงกับทรัพยากรของวัดเนี่ยจะเทียบกันไม่ติดทรัพยากรของวัดเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่ากำแพงต่อไปภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นเราเห็นต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยทรัพยากรของวัดเนี่ยมันจะเหนือกว่ากำแพงเพราะนั้นเราจึงให้ลงทุน หลวงตาท่านพูดไว้อย่างนั้นก่อนนะสรุปแล้วหลวงตามองไกลนะมองไกลมากแล้วก็มองทางด้านเศรษฐศาสตร์ควบคนกันอย่างพวกเราเห็นไหมว่าสมัยเมื่อสามสิบเก้าสี่ศูนย์เศรษฐกิจเมืองไทยของเราย่แย่หลวงตาก็บอกว่าเอาทองคำเข้าขังหลวงพวกนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายก็บอกว่า ทำไมลงตาจะเอาทองคําเข้าคลังหลวงการรู้จากเห็น้่ามันเงินมันหมดครั้งทําไมไม่กระดมเงินซื้อดอลล่าเอาเข้าคลังหลวงเอามาใช้หมุนเวียนมาใช้ในคลังทําไมลงตายจึงไปซื้อทองคำแต่เงินก็ยิ่งออกนอกระบบอีกพรไปซื้อทองคําทองคำมันไม่ใช่มันอยู่ในเมืองไทยมันมาสั่งมาจากเมืองนอกแล้วเอาเงินไทยซื้อทองคําเงินก็ยิ่งออกไปอีกยิ่งแห้งไปอีกทําไมลงตายจึงเอาทองคํา เออหลงตาว่าทองคําเอาทองคําเท่านั้นไม่เอาอย่างอื่นนักเศรษฐศาสตร์พวฟัดพวกเวียงบางคนไม่เข้าวัดหลงตาเลยนะโกลอให้หลวงตาว่าทําไมหลวงตาไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เรียนการเงินทําไมไปซื้อทองคําแล้วก็ไปทิ้งไว้ในคังหลวงไปทิ้งในโกดังเท่านั้นเองแล้วเอาเงินไปละลายเงินก็ยิ่งหมดอยู่แล้วเงนก็ยิ่งหมดเท่เงินยิ่งแห้งไปเรื่อยๆเลยและทองคําก็มาทิ้ง เป็นก้อนหินอยู่ในโกดังเท่านั้นเองมันจะเกิดประโยชน์อะไรทําไมไม่เอาเอาเงินเนี่ยออกมาเข้ามาหมุนเวียนมาใช้เอที่เราขาดเงินอยู่ในนีมันขาดเงินแต่ดวงตายัางไงทองคําพอที่สุดเป็นยังไงเลยท่นี้พอจากนั้นต่อมาไม่นานใช่ไหมเห็นลิตเลยใช่ไหมถ้าว่าเราซื้อเงินดอลลาร์เข้ามาไว้ในคลังนะสมัยนั้นนะเราจมหัวทิ่มหัวเป็นรอบที่สเพราะอะไรเพราะเงินดอลลาร์มันตกเนีมันตกอย่างมากเลย เอนี่แหละแท้พอมีทองคําำอยู่ในขังทองคําของเราประกันเงินเลยทีนี้เงินของเราแข็งป๊อกเลยทีนี้เพราะมันเป็นหลักประกันเลยเ ง, เงินทองมันแข็งเลยทีนี้ดอลลาร์เนี่ยเอาไม่รอดเลยทีนี้นี่แหละถ้าว่าพวกเราไปยึดดอลลาร์อีกพวกเราจะหัวทิ่มบ่ออีกเป็นรอบที่สองที่สามนี่แหละหลวงพ่อว่าลงตาเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็น เออเรามองไม่เห็นลงตามองเห็นเอเห็นไหมนักวิชาการทั้งหลายนักเสนาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมวนเสือหลบหนีไปหมดเลยเอามาพูดเลยสิเอามาพูดเดี๋ยวนี้เลยสิมีแต่เขาเงียบทุกคนเลยเนี่ยนี่แหละหลวงพ่อว่าดวงตาในมองไกลาสายตา ย, ยาวเนี่ยที่ท่านมาสร้างกำแพงให้วัดหลวงพ่อเนี่ยท่านคิดถึงขนาดนั้นนะที่ท่านก่อนที่จะสร้างที่ท่านจะทําให้ถ้าไม่ได้คิดโมเมียท่านทำให้เลยไม่ใช่นะ มีเหตุผลของท่านท่านพูดได้ชัดเจนเลยเพราะนั้นท่านวา่าเราสร้างเนี่ยเราไม่ได้สร้างให้ทาอินนะเสรษสร้างเป็นสมบงไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นสมบัตี่ทาอินมาอยู่นี่แต่เหมาะสถานที่แห่งนี้เหมาะที่จะภาวนาเพราะเรามองดูแล้วเห็นแล้วสงบสงัดเหมาะที่จะเป็นสถานที่ภาวนาเพราะนั้นเราจรึงเสริมดวงตาท่านบอกเพราะนั้น ที่ลงตาหลงพ่อก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปยุ่งลงตายัางนั้นอยู่ท่านกับนั่นพาหลงพ่อเขาไปโผเข้าไปบางทีไปกราบท่านก็ไปตาบตอนบ่ายเลยตอนเช้าเนะี่ยลงพ่อไม่เข้าไปไม่เข้าไปใกล้เพราะทั้นคนยังหลายจึงไม่รู้จักก่าพระ อ, องค์นี้มาจากไหนแต่ว่าตอนบ่ายลยงพ่อไปได้บัดนี้ตอนบ่ายเลยลงตาลงพ่อขึ้นไปเมื่อกับพ่อกับลูกมันมีอะไระแสดงให้ทําให้ฟังพูดให้ฟังเออ ลวดลายยังไงเป็นยังไงยังไงท่านอธิบายให้ฟังหลวงตามีเมตตาอ่มากๆแต่หลวงพ่อไม่เข้าไปตอนเช้าเพราะทั้งคนทั้งหลายไม่รู้จักเพร ง, งานหลวงตาป่วยเนี่ยมัวทงปลาป่วยหลวงพ่อก็กระโดดเข้าไปเพราะในฐานะพ่อเนะใช่ไหมเข้าไปกับตอนเช้าก็หลวงพ่อก็อยู่ในหลวงตาป่วยเนี่ยหลวงพ่อก็พูดแตแร้หลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดออกเข้าไปเลยไปเงียบ เจนี่พวกคนเข้ามาเถนี่พวกคนเขามาใครก็อยากจะรู้ว่าลุงตาเป็นอะไรต้องตาไม่บินทบาดอยู่ในกุฏิเอ่อเจนี้ถามกันเถอะนี่ถามกันพวจนะ์เป็นไครลุงตาถามทำไมไอ้พวกที่ถามกันล้วไม่รู้จะถามใครตีนี้เครียดกันไปทั้งหมดเลยทีนี้หลุงพ่อเอ๊ะมันน่าจะพูดนะถ้าไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวเ๋ยวมาใครใครก็อยากจะรู้ใครใครก็รักลุงตานด้วยกันทุกคนนะ่ละลนั้นตลุงพ่อเนี่ย น่าจะพูดให้คนอื่นคงจะไม่กล้าพูดเพราะถามกันทใไรเขาก็แทกใส่กันเหมือนกันแต่สดงนี้ก็หลวงพ่อกันเลยตอนเช้าอ้าวใครว่างอยากจะฟังอ า, อาการเจ็บไข้ในป่วยของหลวงตาที่อยู่บริเวณสลานี่นะหลวงพ่อจะพูดให้ฟัง เ, เพราะว่า พวกเราคงจะอยากจะรู้มันกันหว่านลุงตาเป็นยังไงแต่ละวันเพราะหลวงพ่ออยู่ที่นี่หลวงพ่อก็จะเรียนให้ทราบตามที่หลวงพ่อได้รู้ได้เห็นที่ได้เห็นมาเท่าไรก็ได้นะแต่ถแถลงในรายละเอียดว่านลุงตาอาการเป็นยังไงมีโรคอะไรมีอะไรนะหมอเขาคงจะพูดให้ฟังแต่หลวงพ่อได้พูดแต่ว่าได้เห็นมาลุงตาเจ็บปวดยังไงลุงตาเป็นไข่อ ย, ย่างไงลุงตานอนหลับยังไง ลงตานอนไม่หลับหรือลงตา อ, อาการเป็นยังไงมีไข่อ ย, ย่างไงอย่างนี้หลวงพ่อจะพูดให้ฟังได้เพียงเท่านี้แต่เรื่องโรคภยยัยไข้เจ็บนั้นหมอเขาคงจะอธิบายเริ่มพูดให้แก่จัทธาญาติโยมได้ทราบนะกับหลวงพ่อกําลังจะพูดแต่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้พูดออกสถานีนะพูดให้แก่คณะจัทธาญาติโยมบริเวณสารนี่แหละฟังกันเพื่อให้รับรู้รับทราบหลวงพ่อพูดแต่นั้นไอ้พวก ใหม่ใหญ่ที่จะออกไปสถายนี่ชดชดชดชดลงพ่ออ้าวทาไมให้ลุงพ่อพูดออกให้เสียงดังไปเลยเพราะลูกศิษย์ลูกหาเขาก็อยากจะรู้อยู่ข้างนอกก็โทรมาเท่าไหร่แล้วเอออย่างนั้นหรือเอาพูดใหม่พูดใหม่ <c oughs> จากนั้นลุงพ่อเลยตั้งต้นใหม่พูดใหม่เออคณะสัาาตยายาโยมเนะ้อวันนี้วันนี้วันนี้ปิดวันที่เท่านั้นอลุงตาป่วยมาได้สองวันไม่ได้ลงบิดถวัดวันนี้เป็นวันที่สาม อาการล้มตาเป็นอย่างงี้นะอต่จะบายพอพูดได้สองวันแต่ในพวกโทรทัศน์ทําไมไม่ออกโทรทัศน์ทําไมจะออกทางวิทยุพวกดูไอ้โทรทัศน์ก็อยากจะรู้มันอาการล้มตาเป็นยังไงทําไมไม่เปิดเผยใ น, ในอาการล้มตาแต่ในโทรทัศน์ก็อดไม่ได้เลนี่ก็เลยม า, มาพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อเลยออกทั้งวิทยุออกทางโทรทัศน์เลยนี่นั่นแหละสาเหตุนะ เออไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเสนอไปไม่ใช่นะคล้ายๆว่าผู้เห็นด้วยก็มีผู้ไม่เห็นด้วยก็พี่ อ, อลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายคนผู้ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าหลวงพ่อเองพูดยาวเกินไปเออควรจะพูดเพียงแค่นั้นแค่นี้เขาก็ว่าแต่หลวงพ่อว้วเออหลวงพ่อก็เห็นว่าการพูดก็เห็นว่าเหมาะสมในขนาดไหนที่จะพูดขนาดไหนไอ้ผู้ฟังนั่นแหละไ อ, อ้คนทางอื่นเขา ตํนิมาอันนี้ไม่ใช่ว่ า, าพูด เ, เข้ามาแล้วก็จะให้พวกเราท่านทั้งหลายาตํนิกันง่ายๆมันจะได้เหรอมันก็ต้องหั้งเหตุผลว่าเป็นยังไงมากยังไงใ ห, ให้ฟังจะเป็นกาจัดสิทธิทมนุษยชนขนาดนั้นเหรอหลวงพ่อก็ว่าเพราะมันเป็นเรื่องหลวงพ่อที่จะต้องพูดในนาหัมากน้อยก็ต้องความเหมาะสมเน้นหนักเลคือหลวงพ่อคิดว่าเวลาหลงตาไม่สบายสิทธิ์ยามสิทธิ์มีหลายคน ความคิดเห็นมันต้องแปลกแตกต่างกันให้ข้าบอกคนหนึ่งไปต่หลวงพ่อบอกว่าพวกเราทุกคนนะถ้ารักพ่อนะทุกคนต้องอยู่ในความสงบเดี๋ยวให้พ่อเราป่วยมีความขัดข้องหมองใจกันเรื่องอะไรเรื่องต่างๆต้องอยู่ในความสงบต้องรักกันไว้ก่อนต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนนะพี่น้องทั้งหลายโดยมากหลวงพ่อจะพูดลักษณะนี้ก็รู้จะเล่าหลวงตามีลูกหลายคนใช่ไหมมีลูกหลายคน แต้องนานาจิตตังนานาทัศนะความคิดความเห็นก็ต้องแตกต่างกันในหลวงพ่อที่ได้มานพูดในโทรทัศน์หรือในวิทยุหลวงพ่อก็พยายามพูดโน้มน้าวให้พี่น้องปองดองกันมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วก็หลวงพ่อก็บอกอีกว่านี่นะพวกเราลูกศิษย์ลูกหาถ้ารักเคารพในองค์หลวงตาถ้าเราเข้ามาวัดของหลวงตาเราจะมาเพื่อต้องการ ยศถามบรรดาศักยศตำแหน่งหรือมาเพื่อหวังลาบยศเพราะหลวงตาเมตตาเราแล้วหลวงตาให้พวกเราแล้วในสงฆ์ครอบอนุเคราห์พวกเราแล้วพวกเรามาทุกคนมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาถึงจะใจใ ส, สูตรมา ก, ก็ตามแต่ถ้าห้างว่าเห็นห้องน้ำโสกรปรกเราล้างห้องน้ําก็ได้เราไม่ได้มาเพื่ออะไรมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตามาเพื่อความรักเคารพในหลวงตาเหตุไหม อย่างพระเถระผู้ใหญ่ที่มาในงานพวกเราเห็นเหมือนกับหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงหูหลวงตาอายุแก่ๆเนี่ยหาเก็บขยะสององค์ลากถังขยะไปแล้วก็เก็บขยะเข้าถุงเต็มแล้วกับมัดแล้วก็เที่ยวเก็บไปเรื่อยพวกเรารู้ ไ, ม, ไม่ม้่อสามสี่สิบพรรษานั่นแหะนะนะนะนะไม่ใช่พระน้อยๆ ห, หนุ่มๆ น, นะดูซิแตพ่พวกเราไม่รู้หรอกแต่หลวงพ่อรู้เย่ยพา เทระทั้งนั้นเลยที่ท่านเก็บท่านมาเพื่ออะไรท่านมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาอย่างอื่นท่านทําไม่ได้มันหนักงานมันหนักอันนี้งานมันเบาแต่งานถึงงานมันเบาเราต้องคิดว่าจะทํำยังไงงานหลวงตาจะราบรื่อยไปได้ท่านคิดช่วยกันทั้งหมดเพราะนั้นพี่น้องประชาชนจัตวาญาโยมทุกหมู่เรานะเรามานี้มาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาหลวงตาเทศนาว่าการให้พวกเราเราเข้าใจในธรรมะของหลวงตาหลวงตาประ ก, กาศอีลวะว่า ชาตินี้เป็นชาติทุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเยียดแผ่นดินอีกแล้วเพราะฉนั้นจรีละของลงตายังอยู่พวกเราจะทํำยังไงจึงจะบูชาจรีละของลงตาให้เป็นธรรมที่สุดให้ถูกต้องที่สุดบูชาพระคุณของลงตาให้ดีที่สุดโดยมากหลวงพ่อจะพูดลักษณะนี้อแต่งานของลงตาทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความราบรื่นถึงคนจะมามากแต่ทุกอย่างทุกอย่างมาด้วยศรัทธา ไปไปผ่านไปได้สบายแต่กวันพุ่งนี้เลยเเ่ะนีวันพุ่งนี้หลวงพ่อจะเข้าไปบ้านตาดนะวันเข้าไปบ้านตาดคือตั้งแต่เราโวงตาผ่านไปเราก็ให้มหาวิทยาลัยศิลรากรแล้วก็ยกให้พระหญิงเล็กจุลาพรนะท่านก็มอบให้ลูกสาวของท่านคือพระ อ, องค์เจ้าสิริพาจุทาพรที่จบจาก มหาวิทยาลัยศิลปากรท่านก็นรวบรวมครูอาจารย์ของท่านมาออกแบบเจดีย์หลวงตาและในกําลังออกแบบแล้วจะทำยังไงออกแบบพิพิธภัณฑ์จั้งเจดีย์พิพิธภัณฑ์ตรงที่พระราชทานเพลิงสถิร่ของหลวงตาจะทํำยังไงจะทําอะไรครอบไม้ครอบใหญ่เล็กขนาดไหนในละวันพุ่งนี้แหละหลวงพ่อจะเข้าไปวันที่13าท่านนัดพบหลวงพ่อกับพระอาจารย์สุดใจที่เป็นเจ้าอาวาสกับคณะสงฆ์บางกลุ่ม แต่ต้องหารือกันคือทางพระ อ, องค์เจ้าสิทธิพากับคณะหมหาวิทยายลัยครูอาจารย์ของศิลปากรมาก็จะหารือกันพอหารือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีรูปแบบอย่างไรและก็วันที่14บัฐคณะสงฆ์กลุ่มใหญ่ที่เป็ น, นศิทาวในุสิทธิขององค์ลูกตาและก็พร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยกที่เป็นสิทธิทั้งฝ่ายคารวะตั้งแต่ผู้วาราชการจังหวัดตั้งแต่หัวหน้าสวนราชการในจังหวัดอุดรจะได้มาประชุมหารือกันอีกทีหนึ่งว่า เห็นด้วยไหมเจดีย์ JD อย่างนี้รูปล่างอย่างนี้พิพิธภัณฑ์อย่างนี้เราจะสร้างใหญ่ขนาดไหมจะอธิบายวันที่14แต่วันที่13ท่านจะมาจะหาหรือก่อนเพราะทัานหลวงพ่อคงจะได้เข้าไปทั้งสองวัน13บสามกับสิบสนี่แหละคือเราไม่ได้เน่นดูได้แต่ว่าตามไม่จริงเจดีย์หลวงปู่ลีท่านก็ทําอันนั้นคือเจดีย์หลวงปู่ลีท่านก็ออกขึ้นไปวัดผาแดงอันนั้นก็เจดีย์หลวงตาเหมือนกันท่านก็ท่อหมดเป็นเจดีย์หลวงตาเหมือนกันแต่ว่าที่วัดผาบ้านตาด เราจะไม่ทำอะไรเลยหรือเนี่ยอันนี้มันต้องได้คิดน ะ, ะบ้านของท่านแท้ๆวัดของท่านแท้ๆ เ, เราจะไม่มีอะไรเลยเหรอเป็นสัญลักษณ์จะให้เป็นอย่างนั้นเลยเหรอจบเพียงแค่นั้นเหรอมันก็ไม่น่าจะถูกเพราะนั้นเราจะต้องคิดจะทำยังไงให้ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดที่ลงตาวงจะสร้างเจดีย์นะถ้าจะสร้างสร้างลักษณะ ไปพิพิธภัณฑ์หลือทำคำสอนของเราเราเทศนาว่าการเราทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างไรแนะนำสั่งสอนพี่น้องลูกหลานอย่างไรให้เอานำทำคำสอนของเราเนี่ยที่เป็นคำพูดคำสอนของเราเนี่ยออกมาเผยแพร่ออกมาประกาศออกม า, าให้แก่พี่น้องประชาชนลูกหลานให้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติต่อไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราว่าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ แต่ถ้าจะสร้างเจดีย์ปลูกขึ้นมาเฉยๆขึ้นมาแล้วกลับปลกปลกุกแล้ไปเรามองไม่เห็นที่จะเกิดประโยชน์ไม่เหมือนทำคําสอนของเราอันนี้คือท่านพูดแหละอันนี้เพราะเราจะต้องเน้นหนักลักษณะพิพิธภัณฑ์หรือทำคําสอนของหลวงตาเจจึงไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์เป็นอมตะวาจาของหลวงตาเราจะสรรหาคําโพจู์นั้นให้มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์อันนี้คือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นของเรานี่แหละ แล้ววันในหลวงพ่อจะมอบหนังสือให้นะหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากเลมอบเอ็มพีสามละมหนังสือให้เอาไปอ่านแต่หนังสือเล่มนี้คิดว่าหมดยังไม่มากหลวงพ่อแจกเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยนะหลวงพ่อแสดงธรรมตั้งแต่ปีสี่สามนะวันที่สิบสามเมษายนพุทธศักราชสองพันรอยสี่สิบสาม และวก็วันที่14เมษายนพุทธศักราช2543อันในงานศพเด็กอายุ 15-16 ปีเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดน่าสงสารเหมือนกันนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแค้แน่นอนไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กตายได้ทั้งนั้นเพราะนั้นยายตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีอันไหนที่เป็นคุณงามความดีให้สั่งสมอ น, นั้ น, นี่อันนี้หลวงพ่อได้เทศ วันที่สิบสามกับวันที่สิบสี่หลวงพ่อพูดวันที่สิบสามเมษายนพุทธศักราชสองพันร้อยสี่สิบสามเนี่ยโดยมากหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับคุณบิดามารดาเพราะอะไรเพราะวันสงกรานและวันปีใหม่เนี่ยโดยมา ก, ล, กลูกหลานไปทำงานในโรงงานพ่อกลับขึ้นมาแล้วก็กินเลี้ยงมาจากโรงงานเมาแต่บางทีขับรถขับราชนเฉียวแะ้วก็ไม่รู้ะ พอมาถึงบ้านก็เมาในบ้านอีเองผลในสุดเมาจากบ้านอีกไปถึงสำนักงานต้องหายเมาเพราะหายเมาแล้วสินี้ก็จำงานหลวงพ่อวัดทำอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกหลานนะตามไม่จริงก่อนที่เราจะกลับบ้านเนี่ยเราต้องเตรียมเงินใส่กระเป๋าไว้แล้วว่าเราจะเอามาให้พ่อให้แม่เราเท่าไหร่ปีเนี้พี่น้องของเรามีกี่คนพ่อแม่ของเราอายุเท่าไหร่ พ่อแม่อยู่กับใครเดี๋ยวนี้เราก่อนที่จะขึ้นมาเราต้องเตรียมไว้แล้วว่าเราจะให้พ่อให้แม่เท่าไหร่เสื้อผ้าเท่าไหรหยกยาเท่าไรพอขึ้นมากับพี่น้องก็รวมกันเออเป็นไงพ่อแม่เราเป็นยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงใครพาไปหาหมอการอยู่กินเป็นยังไงต่อไปเราควรจะลงขันกันยังไงให้พ่อให้แม่เดือนละเท่าไรเ่เดือนละ50บาทเดือนละร้อยบาทก็เป็นไรไปเมื่อพ่อเรามีเท่านี้เราก็ส่งให้เดือนละร้อยบาทอย่างนี้ก็ได้ ดีกว่าอยู่กับพ่อกขาแม่ให้เลี้ยงอ่ะเถอะตัวเองก็นู่นไปทํางานนะและ้วไอ้น้องไอ้พี่แล้วอยู่ในนั้นละ่ะจะเลี้ยงได้ยังไงพ่ะพี่น้องมันไม่ใช่พ่อแม่ของคนที่อยู่ด้วยเท่านั้นะก็พ่อแม่ของเราพวกเราต้องรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยนะหลวงพ่อจะพูดลักษณะนี้เวลาวันสงการวันปีใหม่นะไม่ใช่ขึ้นมาแล้วพ่อพูดขึ้มา ล, มะละมาลรกควรจะแบ่งนะพ่อแม่นะที่ไรที่นาแบ่งุ้นอย่างนี้นะทําให้พ่อแม่ หนักอกหนักใจขึ้นมาอีกทั้งที่จะพ่อแม่จะเบาใจเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกนะต้องคิดจะทำยังไงถึงจะให้พ่อแม่เบาใจช่วยพ่อแม่ขึ้นมาเออพ่อแม่ไปไงที่รับที่นอนไปไงที่นอนม้อนมุ้งไปไงสะอาดไหมเปลี่ยนไหมใครพวกเรามาเอาซักเสือ้อซักผ้าให้พ่อให้แม่ร่วมกันจากนั้นก็ปรึกษาปรลบลกันพ่อแม่ไปหาหมอกี่ครั้งใช้ยาเท่าไหร่มีอะไร น, นั้นคือหน้าที่ของลูกที่ดีหน้าที่ของลูกเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมวควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธีดาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงวันโงกรานหลวงพ่อจะต้องพูดถึงพระคุณของบิดามารดาเทิดในการนี้กเหมือนกันที่เขาอ่านมาหลวงพ่ออ่านอ่านเออเข้าท่าเหมือนกันหลวงพ่อยก อุปมาอุปไมยบอกว่ามีในครั้งพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งคือสมัยเดี๋ยวนี้อินเดียเขามันมีอยู่วรนนะสใช่ไหมวันนะกษัตริย์วรนนะพราหมณ์วรนนะแพทย์วันนะสูตรมันสีวันณะเดีนี้วรรณะพราหมณ์เนี่ยที่ยันอยู่ในปฐไตรปิฎกในธรรมปฏทัศกาลเนี่ยบอกว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งแต่งงานแล้วก็มีได้ลูกด้วยกัน9้าคนชายล้วน เป็นลูกชายทั้งหมดเก้าคนต่อมาก็ลูกกาลังจะเป็นหนุ่มแม่ก็เลยตายไปย่างเหลือแต่พ่อผู้พ่อเนี่ยก็เลยจัดการแต่งงานให้ลูกทุกคนมีครอบครัวทั้งหมดตั้งเก้าคนแต่พามคนนี้นะ่ยกับแม่บ้านภรรยานะหาเงินได้เงินเต็นนี่มีเงินอยู่หนึ่งล้านเพราเงินถึงล้านน่ยก็เลยลูกชายแต่งงานเสร็จแล้วก็พ่อเงินที่เก็บไว้นะ่ะพวกผมจะขอมาแบ่งจากคุณพ่อมา เพื่อเป็นทุนในการทํามาค้าขายคุณพ่อจะขัดข้องไหมพ่อเอ้ยไม่คัดข้องเราหามาก็เพื่อลูกนั่นแหละเอาแบ่งกันทัวเจ้าจะเอาเท่าไหร่ก็เลยแบ่งกันคนละแสนนัแสนแสนพ่อก็ได้แสนหนึ่งเงินล้านหนึ่งพ่อก็ได้แสนหนึ่งรวมแล้ก็คนละแสนพอต่อมาอีกลูกบอกเงินขาดมือพ่อยังไม่พอขอเบิกอีกขอแบ่งอีกเถอะพ่อขอจากพ่อตรงนี้ไอ้พวกผมจะเลี้ยงพ่ออยู่แล้วล่ะ เอาขอคนละหมื่นเออเอาพ่อก็ให้อีกคนละหมื่นยังเหลือพ่ออยู่หมื่นนึงเออพอต่อมาเอ็กว่าพ่อมันจะขาดจะขออีกคนละพันเอาวพ่อให้อีกคนละพันเจ้าคนละร้อยหรือเปล่าจงคุณยังไม่รู้ว่าเงินเดิมเออเจ้านี่ก็พ่อยังเหลือเงินหน่อยนึงทเถอะพ่อเก็บไว้พ่อต่อมาต่อมาทเนีะไอ้พวกลูกชายก็มีแต่ทําการทํางานทํามาเรื่องใช่ไอ้กับแม่บ้านก็อยู่บ้านไอ้ลูกจะบภพ่ก็อยู่บ้าน ลูกจะพ้ายกับคนโตก็บอกว่าเอ้ยปูเนี่ยไม่รู้จักบ้านอื่นนะรู้จักแต่บ้านของเราแต่เงินแบ่งเสมอกันหมดเอแต่ไม่รู้จักบ้านคนอื่นอยู่แต่บ้านเราให้เราเลี้ยงให้ดูพูดหลายครั้งตายคนไอ้ปูเนี่ยก็โอ้ลูกสะพ้ายไล่เราไว้ก็พูด ก, นกนันแหนกันแหนยังไงไม่เอาหนีก็เลยมาอยู่กับคนที่แปด อลูกจะพายคนที่แปดก็พูดอีกอย่างเก่าเลยลงมาลวนที่เจ็ดที่ห้าที่สี่ที่สามจนถึงคนที่หนึ่งพอถึงคนที่หนึ่งพูดอีกอย่างเกา่าเออข่าไม่อยู่กับเขาแล้วหนีดีกว่าไปหาขอทานกินดีกว่าถ้าเป็นลักษณะจริงพ่อเนี่ยก็เลยเ อ, อได้ย่ามใบหนึ่งใส่เสื้อผ้าตัวสองตัวใส่ในย่ามแล้วก็ได้กะลามะพร้าวหม้อโลอะไรก็ไม่รู้นะกันได้ไม้เท้าเนี่ย สัตเซปเนจรหาอยู่หากินไปตามลําพังเลยนี่ขอทานไปเลยกินไปเลยอาบน้ําจินแน่นอนที่ไหนไม่ว่ากันเลยนีออ่สัตเซปเนจรไปหาอยู่หากินไปเรื่อยๆนนี้ไปถึงหน้าวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารเ อ, อได้ยินว่าส ม, มณะโคดมพุทธเจ้า เ, เป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้แนะนําสั่งสอนคน อ, อท่านคงจะให้อะไรสักอย่างนะั้นท่านท่านไม่ให้ ข้ของนะคงจะให้แนวความคิดเราควรจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพราหมค น, น, นคิดแต่เ น, นก็เลยเข้าไปนะในปัตตบ่าเชตวันพอไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาพรามก็เข้ามาเขามาพราม์มีอาชีพอะไระทำไํำมาการเลี้ยงชีพทําด้วยอะไรไปยังไงมากยังไงพราม์คนนี้ก็เลยพูดโอ้ข้าพระองค์ตะกอนก็มีอยู่มีกินมีแอนจะอยู่จะกินแต่มากก็บแบ่งให้ลูกพอลูกก็มากเลย ลูกเขาไม่เลี้ยงเออเขาพูดกันแน็กันแน็ข้าพระองค์ลาคาญกันเลยหนีออกมาจากนี้แหละพระพุทธองค์บอกว่าพราหมณ์เอาไหมเราจะสอนสุนทนพรพจน์หรือว่าคําพูดเ อ, อเรียกว่าคาถา ท, าที่คําพูดที่จะแนะนําสั่งสอนลูกของตัวเองลูกของพาราหมณ์พราหมณ์จะกล้าพูดไหมพาราหมณ์บอกว่าถ้าพระพุทธองค์สอนอย่างไงข้าพระองค์จะพูดด่างที่พระพุทธองค์ เนี่ยบอกให้ข้าพระองค์พูดเออทานอย่างนั้นเอาเราจะบอกให้เราจะสอนให้พราะพวกเราก็สอนสอนพามัะจำได้ว่าจำได้เอาไปไปถึงบ้านให้ประกาศนะบอกว่าเออเราหนีจากบ้านไปนานเรามากลับมาอีกแล้ว เ, เราอยากจะพบกับญาติพี่น้องลูกหลานโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งลูกชายลูกสะบ้ัยหลานทั้งหลายและญาตาิของเราทั้งหลายเรา มีเรื่องที่จะพูดให้ฟังขอให้พวกท่านทั้งหลายมาฟังเพราะเราจะได้อำลาอีกเพราะเราไปเคารก่อนเราไม่ได้อำลาใครแต่บัดนี้เราจะอำลาเป็นเรื่องจริงจังแต่ใ้คนทั้งหลายก็ลูกทั้งหลายก็เออพ่อคงจะเป็นหนี้เป็นสินกับคนอื่นยังมั่งคงจะมามอบหนี้สินอีกหรือคงจะมาขุดที่ทองและเงินที่ฝังไว้กับมั่งเนี่ไอ้พวกที่โลภทั้งหลายมันก็จะคิดอย่างนั้นใช่ไหม เอนแรกก็พ่อมากับคนมาฟังทั้งลูกสะพ้าลูกชายทั้งหลานทั้งญาติพี่น้องมาพอก็ขึ้นมาพามแล้วก็ขึ้นบนศาลาศาลาประชาคมนน่ะขึ้นบนฟอรุงสูงนะเนี่ยพอขึ้นยืนเสร็จแล้วนะพามันก็เลยกล่าวกล่าวเป็นคาถาอที่พระพุทธเจ้าแนะนําที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนพราหมณ์ทำเป็นลูกเหมือนให้ด้วยนะพราหมณ์ พามขึ้นไปยืนเสร็จแล้วพามบอกว่าตับขา ย, ย่าด้วยนะถือหม้อด้วยถือไม้เท้าด้วยพามกาวคาถาว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ำกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ ร, ร้ายจะวัยวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญ คงมีคุณกว่าลูกที่ปะาะเลยอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าวสอนาพามให้พูดเหมนกันเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคล้ายกับว่าพามบอกบรรยายแล้ว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายแล้วกับบรรยายของคุณไม้เท้าเลยคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ข้ากายย่างย่องจ้องจดจุน จะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพ่านสัตว์ร้ายจะวัยบุนเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ป่าละเลยให้ใกลบอกว่ไม้เท้าของพ่อนี่นะหมาจะมาพ่อจึงเวียงหมาก็ยังกลัววัวควายมาพ่อยกขึ้นมาควายก็ยังกลัวอไม้เท้าของพ่อนี่ประโยชน์แต่ลูกของพ่อทั้งเก้าคนที่เลี้ยงมากับมือนไม่มีประโยชน์สูบไม้เท้าพ่อไม่ได้ เอออันนี้คือาพามันลยาย ม, มันก็น่าคิดเหมือนกันนะเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจใหม่คือตามไม่จริงพ่อแม่เลี้ยงลูกกระมานนี่ยเลี้ยงลูกมาเพื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชราเราก็จะได้พึ่งพาอาศัยลูกอันนี้คือส่วนลึกของใจทุกคนไม่ใช่ว่าเลี้ยงใหญ่มาเหมือนลูกทงางภาคตะวันตกนเออเนั้นเขาเลี้ยงลูกมาเลยต่างคนต่างนี้ไปโตอพอเท่าแก่ชราแล้วไปอยู่ในบ้านคนชรา แต่เมืองไทยหรือเมืองจีนก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องอาศัยบุตรที่ด่าอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเนหลวงพ่อพูดอีกนะบอกหลวงพ่อบอกว่าอันนี้มาในชาดกเนี่ยเพระพุทธเจ้าพูดเรื่องชาดกชาดกเรื่องนี้ในครั้งพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งแต่งงานและการได้ลูกชายคนหนึ่งพอต่อมาลูกชายเป็นหนุ่มแม่ก็เลยตาย พ่อแม่ตายแล้วก็พ่อก็เลยแต่งงานให้ลูกชายก็นในลูกสะภ้ยมาอยู่ในบ้านพ่อต่อมาอีกพ่อป่วยนี้พ่อป่วยเป็นอัมพาตพอเป็นอัมพาตเนี่ยลุกไม่ได้นอนอยู่กับที่เวลาไปทํางานสามีไปลูกสะภ้ยก็ต้องอยู่เฝ้าปู่ต่อมากันสองคนเขาก็มีลูกขึ้นมาอีกลูกก็เป็นเด็กพอเป็นหนุ่มพอใช้ได้ถ้าพ่อแม่ไปลูกก็ต้องอยู่เฝ้าปู่ เออถ้าไม่ก็ต้องพ่อต้องเข้าปู่แม่ก็ต้องไปลักษณะอย่างคือผัดเปลี่ยนกันไปผัดเปลี่ยนกันมาผลที่สุดลูกสะภ้ยกบไม่พอใจในปูป่บ้านบอกว่าปู่นี่ตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายทำอย่างนี้มันจะอยู่เท่าไหร่จึงจะตายก็เลยบอกหัวบ่านฮะยอดทีรักษจะเอาฉันไว้แล้วจะเอาปู่ไว้บ้าน <c oughs> <c oughs> บอกยิ่นโนติดไว่างั้นเถอะ ทังบอกให้ผัวผัวเลยเอ้แม่ก็ต้องเอาแม่บ้านเอาต้องเอาเมียไว้วะพ่อปู่นี่ก็นอนสมมึกไม่รู้จะตายวันไหนเลป้อนข้าวป้อนน้ำไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วเนี่ยเอาไว้ก็ไม่รู้จะไว้ยังไงถ้าเมียหนียิ่งทุกข์ใหญ่นะเลยผู้ผัวจะให้ผมทํำยังไงเอาจะไปยากอะไรเอาไปจัดไปผมไปฝังไปทิ้งที่ไหนก็ได้คนไม่มีสติแล้วมันหมดแล้วเนี่ยจะตายอยู่แล้วทางผู้ผัวเนี่ยเออเอาก็ต้องเอาเมียหนาไว้ เดี๋ยวจะจัดการตอนนี้ผู้ผัวอะไรกัสารตะก้าใบาบักใหญ่เหมือนกันเลอ่พอสารตะก้าใบาบักใหญ่เสร็จแล้วก็วันดึกสงัดเออไม่มีคนแล้วกั เ, เรียกลูกชายลูกชายก็เป็นหนุ่มเลยนะเอ้ยโรคจะไปไหนนะวันนี้ลูกชายก็เห็นพ่อสั่งขึงขังอะไรอยู่บ้านมันพอดึกสงัดป่ะจับขาบโปแล้วพ่อจะจับลักแล้พ่อก็จับทางลักแล้ที่จับโป ก็เลยไม่ใส่ตะกร้าบักใหญ่ใส่ตะกร้าไว้ออพอเสร็จแล้วก็เอาไม้คันหามมาตัวนีหามปู่ไปไปทางหน้า mm. พ่อก็พาไปที่นั mm. พ่อสั่งท่านนี้นก็ไปทางนั้นเหมือนกันแต mm. ่พอไปถึงป่าช้าบันนี้ป่าชา้าก็เลยวางก็เลยบอกลูกชายลูกลูกชายลูกที่พ่อหามปู่มานี่ยนะ mm. พ่อว่าปู่จะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตาย เป็นเครื่องลําบากแต่ปู่คงอยากจะตายพอาะแรงแล้วแหละแต่ไม่ตายเพราะฉะนั้นพ่อเห็นว่าน่าจะขุดหลุมฝังเลยให้จบจบไปเราก็จะได้สะดวกสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนทางลูกชายก็ยืนฟังพ่อพูดเนียลูกชายยืนฟังพ่อพูดบอกว่าพ่อพ่อถ้าพ่อจะฝังตัง้งตะกร้าเลยผมจะขอตะกร้ากับจอบที่ขุดฝังเลยเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยพ่อ จะเอาไว้ทำไมเอา้าต่อไปพายภาคหน้าถ้าพ่อเป็นอำ ม, มาพฤษอำมาพาตผมจะได้ชวนลูกชายเอาตะก้าใบนี้กับจอบมาฝังพ่อเหมือนกับพ่อมาฝังปู่เนี่ยพ่อเขาลีอึงละไปไปไปไามกลับเอาทำไมจึงับไม่ได้เดี๋ยวกรรำตามสนองไม่ได้เดี๋ยวกรำตามสนองก็เลยเลยหามกลับมา รักษาปู่อย่างเก่าันนี่แหละเวลาไปหามปู่ไปทิ้งเนี่ยจะว่าให้ปู่หมดกรรมบทดเวรใช่ไหมแต่ว่าลูกชายเขาจะหามตัวเองมาทิ้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรมนุษย์มันเห็นแก่ตัวมากถึงขนาด <c oughs> <c oughs> นั้นแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อว่าถ้าว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่พูดเรื่องคุณบิดามารดาจะให้พวกใครไปให้ปากไปพูดอะไรพระคุณบิด า, างั้นมารดาเนี่ยคงไม่มีใช่ไม อนอกจากพระสงฆ์เท่านั้จะพูดประคุณของบิดามารดาให้แก่จัตตาราติโสมผิด้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าประคุณบิดามารดานั่นคืออะไรในหลักของพุทธศาสนานวีตทั้งหกแต่พวกเราได้เรียนแต่ทิศทั้งสี่กับทิศทั้งแปดใช่ไหมทิศทั้งหกนั่นไม่มีในตําราเรียนเลทิศทั้งสี่คืออะไรทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ใช่ทิศทิศทั้งแปดคืออะไร ชักศิลอรดอีพายับ อ, อันนี้ก็คือทิศทั้งแปดที่พวกเราได้เรียนแต่ทิศท้งหกนั่นคืออะไรทิศท้งหกน่นคือพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคืมีสิงคารมานพเป็นลูกเศรษฐีไปเรียนเมืองตะกัศิลาพอเรียนจบมาแล้วอพอกลับมาเมือง แต่เมืองตะกัศีลาเนี่ยเมืองทาลีบันทุกวันนี้นะเออเมืองที่เมืองทาลิบันที่มันลบกันอยู่เดียวเนี่ยนี่แหละเมืองตะกัศิลาเก่าแก่แล้วเนะพอมีพระพุทธรูปยืนนี่ที่เขาไอ้ทาลีบันเขายิงขาพระพุทธรูปที่ทำลายพระโต๊ะคือเมืองทาลีบันคือเมืองตะกัศิลาเก่าแต่เมืองนี่เป็นเมืองที่กันดานมากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาโดยมากทิะปาโมกจะเกิดอยู่ที่กันดานที่แห้งแล้งเห็นไหมอย่างตะโกน ภาคอีสานเนี่ยเป็นที่แห่งแรงทุ้งภูเสาปู้งปูมั่นมาเกิดแล้วก็ภาวนาสู้โดยมากที่กันดารจะเกิดอัจฉริยะนะเพียงว่าสู้กับธรรมชาติชู้กับสุขสิ่งทุกอย่างเพราะฉนั้นตะกัศลานี่เป็นเมืองที่กันดารนะที่ศัพท์พระโมกอาจารย์จะเกิดในที่กันดารเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนั้นเขาก็กษัตริย์ก็ดีพรามก็ดีใครจะไปเรียนเอาวิ ช, ชาเนี่ยต้องไปเรียนอยู่เมืองตะกัศลา อย่างหมอชีวโกโกมารพัตน์เนี่ยเขไปเรียนอยู่ที่เมืองตะกัศิลาเหมือนกันไปเรียนแพทย์อยู่เมืองตะกัชิลา เ, เรียนแพทย์ตะกัชิลาเรียนยังไงพอไปเรียนน่ะเรียนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบอหมอชีวโกโกมารพัตน์ก็ไปถามอาจารย์ครับผ ม, ไ, มได้จบหรือยังอาจารย์ก็ไม่รู้ความจบนั่นคืออะไรทําไมทุกวันเนี่ยสามปีหกปีใช่ไหมเรียนแพทย์เนีเ่ยออมันก็จบแต่ที่สัพปปโมกอาจารย์เนี่ยบอกว่าโกมารพัฒน์ ให้เธอเข้าไปดูที่ต้นไม้ในป่าเนี่ต้นไม้ต้นไหนที่ไม่เป็นยาที่ไม่เป็นยาต้นไม้ในป่าต้นไหนตัวนี้ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยาอะไรแล้วมาบอกเราไปเข้าไปเอือเพราะว่าศีวกของวันรัชเข้าไปถามมาผมจบแล้วยังใช่ไหมอาจารย์ก็เลยไล่เขาไปในป่าเข้าไปดูต้นไม้ต้นนี้เป็นยานั้นต้นนั้นเป็นยานต้นนี้กับต้นนี้กับต้นนั้นเป็นยาผสมมันเป็นอย่างไงให้แค่มันผสมกันในต้นไม้เนะ เออมันปาดมันเปรี้ยวมันส้มมันอะไรเออมันก็เป็นยาประเภทหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าหมอชีว่าโกโมารพัฒนเดินเข้าป่าอยู่สองสามวั น, นตรวจตาอยู่ต้นไม้ต้นไหนที่ไม่เป็นยาไม่มีกลับมาหาอาจารย์อาจารย์ครับผมไปดูแล้วในป่าเนี่ยต้นไม้ทุกต้นเป็นยาทั้งหมดครับเออเนี่ยแหละจบแล้วนั่นนะสมัยก่อนเขาจบแพทย์จบหมอเนี่ยเขาไม่ได้เรียนตำราเลยไปดูต้นไม้ต้นไหนว่าไม่เป็นยานยแปลว่าจบและอันนี้ก็คือทิศประโมกอาจารย์ จากนั้นถ้าก็จบมาแล้วกันเป็นหมอ น, ะะนี่ยน่ยสินค้านละมานบหนึ่งเหมือนกันไปเรียนวิชาอาชีพธรรมมาค้าขายเพราะตัวเองเป็นลูกเศรษฐีมีอันจะกินพ่อกลับมาถึงบ้านถึงพ่อก็ป่วยหนักพ่อป่วยหนักพ่อก็เรียกเข้ามาลูกๆกขามาหาพ่อเขามาก็ไปจับมือพ่อไปจับมือมองหน้าลูกเอ้ยขอให้บริหารทรัพย์สมบัติให้ดีนะลูกนะถ้าหากว่าลูกบริหารทรัพย์สมบัติให้ดีลูกจะมีแต่ความเจริญ ให้ลูกเคารพ บ, บูชาคารวะทิศทั้งหกนะลูกนะให้เคารพ บ, บูชาคารวะทิศทั้งหกนะลูกนะถ้าลูกบูชาคารวะทิศทั้งหกลูกจะมีแต่ความเจริญพอพูดเท่านั้นพ่อก็เลยขาดใจตายสั่งเสียเท่านั้นตอนนี้สิงคารมานพบรู้สึกเสียใจมากเดี๋ยวจะนัดจัดงานศพของพ่อจัดงานศพของพ่อเสร็จแลว้วก่ที่พ่อสั่งเสียเป็นวาจาที่ว่าสัก เสร็จแล้วว่าเป็นวาจาสุดท้ายเป็นวาจาเอาจริงเอาจังเลจับมือเลยกัสั่งเสียนี่สินค้ายละมารพ ก, ก้องต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตอนเช้ามาเนี่ยแต่ออกไปแต่เช้ามืดไปที่ชายทุ่งนะไปที่ลานสนามไปแต่ยกมือไหว้ทิศตะวันออกยกมือไหว้ทิศตะวันตกยกมือไหว้ทิศเหนือยกมือไหว้ทิศใต้ยกมือไหว้บนอากาศยกมือไหว้เบื้องต่ํามันก็่หกพอดีใช่ไหมเออทิศเหนือ ไต้ตะวันออกตะวันตกเบื้องบนเบื้องล่างมันทิศหกพอดีแปลว่าเขาทําอยู่อย่างนั้นตลอดไม่มีหน้าแล้งไม่มีฝนไม่มีหนาว ไ, ไม่มีฝนตกอันฝนตกเข้าไปเพราะปฏิบัติตามคําสั่งของพ่อแต่เดี๋พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดป่าเชิตะวันมหาวิหารวันนั้นจวนสว่างสิงค์าร์ลมาโนบเข้ามาในข่ายคือพยานจวนสว่างพระพุทธเจ้าเหมือนกับแผ่เรดาร์ไปสายเรดาร์ไปรอบ กันสินค้ารมานโนบเขามาอยู่ในข่ายคือพยานเออสินค้ารมาโนบนี้ทาไมเรื่องอะไรเออสินค้ารมานบเนี่ยเขาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรง เ, เราควรจะไปโปรดเขาเขาจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลคนหนึ่งเพราะเป็นคนรับคําสั่งจากพ่อแต่ว่ารับคําสั่งจากพ่อพ่อมีเจตนายอย่างหนึง่งแต่สินค้ารมานบเนี่ยเขาไม่ได้ถามพ่อว่าทิศทั้งหกนั่นคืออะไรเขาไม่ได้ถามแต่ที้เขากระยึดทิศ อย่างที่เขาเข้าใจแต่มันไม่ถูกแต่ในพระพุทธเจ้าก็สว่างขึ้นมากันเลยพระอ น, นุนเดินตามหลังเป็นปัจฉาสมณะคือเดินบิณธบาตตามหลังพระพุทธเจ้าพอไปเห็นสิงคารมานพกําลังยืนไหว้ทิศทั้งหกอย่าง เ, เหมือนกับเขาเล่นมวยเจ็กอย่างนั้นยกซ้ายยกขวายกหน้ายกหลังเออมวยเจ๊กนั่นเ อ, ออกกําลังแต่คนไม่รู้ทีนี้พระองค์ก็ถาำอ่าสิงคารมานพกุมารเธอทําอะไร สิงคารละมานบอกว่าข้าพระองค์เขารบทิศทั้งหกคารวะเขารบทิศทั้งหกพระเจ้าข่าใครบอกใครสอนใครแนะนำบิดาของข้าพระองค์เป็นผู้แนะนำครับผมบิดาว่ายไงบิดาบอกว่าให้คารวะถ้าอยากจะเริ่รุ่งเรืองในเป็นการเป็นคารวะและบริหารจัดการทรัพสมบัติให้ลูกเขารบคารวะกราบไหว้นอบน้อมทิศทั้งหกนะลูกนะ พระราชาพระองค์ปฏิบัติตามคําสั่งของบิดาแต่ได้ถามบิดาไม่ว่าทิศตั้งหกนั้นคืออะไรไม่พระเจ้าข่าพาบบิดาสั่งเสียแล้วก็ท่านก็ใจขาดแล้วก็ตายไปมันไม่ถูกนะสิงค์าลมานุปทิศตั้งหกที่เธอทํำอย่างมันไม่ถูกถ้าอยากจะให้ถูกนะตามความเห็นของบัณฑิตนักปฏิทิศตั้งหกจะไม่ทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างที่เธอทําไม่ใช่กราบทางตะวันออกกาบตะวันตกยกหัวทิศเหนือทิศใต้ทิศบงสูงบืองต่าไม่ใช่ ทิด ต, ตั้งหกเธออยากจะศึกษาไหมอยากจะรู้ไหมตามบัณฑิตนักปราชญ์ที่เขาแนะนํากันมาครับผมพระพุองค์บอกว่าฟังพราะพระพองค์บอกว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเมื่อบิดามารดาเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านนี่นะทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาสามีมีหน้าที่อะไรรับผิด ช, ชอบยังไงในครอบครัวเอ อ, อย่าย่ํายีทําให้ภรรยาช้ํา อ, อกช้ําใจให้เคารพสิทธิ์ภรรยาก็เหมือนกันให้เคารพสิทธิของสามีเ อ, อให้รู้จักสิทธิให้รู้จักสถานะของตัวเองให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือทิศเบื้องหลัง สามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คนเราเกิดมาแล้วต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนเป็นผู้บอกกล่าวแล้วเราจะมีวิชาอาชีพได้ยังไง <t> ต้องได้รับการแนะนําสั่ ง, ออ ง, องสงอนจากครูบาอาจารย์อย่างสอนหนังสืออย่างนี้กับครูบาอาจารย์สอนวิธีส่อมรถสอนวิธีทำอะไรทําไร่ kind, ท, erreicht, ทํานาทําเกษตรต้องมีครูบาอาจารย์แน่นอนเพราะนั้นครูบาอาจารย์ก็คือทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายถ้าเราไม่มีมิตรสหายทึ่เราจะร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะถ้ามิตรสหายไม่ดีไม่มีการยานมิตรที่ดีเราจะปล่อยสินค้าไปได้ยังไงเราจะไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ยังไงถ้าไม่มีมิตรสหายที่ดีถ้ามีมิตรสหายดีจะเจริญเพราะนั้นมิตรสหายนี่ต้องครบให้ดีและกทิศเบื้องบนสัมพราณ์สมสมณ์ก็คือนักพจนักบวช แนะนำสั่งสอนว่าอั น, นดีเนี่ยอันนี้ชั่วอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ควรพูดอันนี้ไม่ควรพูดอันี้ควรคิดไม่ควรคิดสมณพราหมณ์จะแนะนําไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเอต้องตั้งใจฟังสมณพราหมณ์ผู้แนะนําสั่งสอนด้วยเหตุผลและกระธิดเบื้องต่ําคือคนรับใช้คือคนงานถ้าเราไม่ทําไม่ถูกกับคนใช้คนงานนะเออ ต่อตะลอกกับคนงานแล้วไม่แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับคนงานคนงานก็ไม่ทํางานแล้วเขาเป็นพิษเป็นภัยกับเราอีกแล้วกิจการงานของเราจะไปได้อย่างไรเพราะฉนั้นถ้าเราทําถูกต่อทิศ ท, ทั้งหเออมารดาบิดาเราปฏิบัติยังไงทิศเบื้องหลังสามีภรรยาเราปฏิบัติยังไงทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เราควรทํำยังไงทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายเราควรปฏิบัติยังไงทิศเบื้องบนสมณะพราหมณเราควรปฏิบัติยังไง ทิศเบื้องต่ำเบาคือคนรับใช้คนงานเราปฏิบัติตนอย่างไรกับเขาเหล่านั้นถ้าเธอปฏิบัติถูกต้องต่อทิศทั้งหกเธอจะมีแต่ความเจริญจะไม่มีความเสื่อมอันนี้แหละคือทำคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนมาตั้ง 2,500 กว่าปีนะถ้าเรานำมาคิดมาพิจารณาดูแลมีเหตุมีผลหลวงพ่อว่านะพะนันคอยลูกหลานคณะจัทธาญาติโยมนะ หลักทมคำสอนของพุทธศาสนาเลยเป็นหลักเหตุผลอันรับพรนั่นจนี้นะ